เมื่อาวานวันก่อนเลือกตั้งสอวอเอาจังหวัดละหนึ่งคนเอาน้อยมากแล้วเอาสอวอคัดเลือกอีกชุดหนึ่งแต่สรุปแล้วก็คือผู้ที่ได้ก็พอใจยิ้มแย้มแจ่มใสพราตัวเองเปิดผู้ชนะจังหวัดหนึ่งมีคนเดียวพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจ แต่ทึงยังไงสอวอทั้งหลายในเมื่อพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจก็คงจะซื่อสัตย์สุดจริตจงรักภักดีต่อเสียงที่เขามอบความไว้วางใจถ้าํำนึกไว้อยู่เสมอจนถึงหกปีหลวงพ่อว่าเป็นสอวอที่เลิศประเสริฐนะแต่ถ้าว่าพอเข้าไป ลำลึกถึงพี่น้องประชาชนต่อไปแล้วก็ลืมลืมพี่น้องประชาชนก็เลยเห็นแก่ลาบยศสนเสริญอย่างอื่นเห็นแก่เหยื่อว่างั้นเห็นแก่เหยื่อล่อลืมพี่น้องประชาชนอันนั้นแปลว่าสอวอท่านนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ดีมาแต่ต้นต่อไม่ใช่ดีมาทางด้านจิตใจไม่ใช่ดีมาแต่ กําเนิดหรือว่าสันดอนสันดานมั้งั่นแตเพียงว่าดีขึ้นมาเพื่อต้องการทนั้นเองจากนั้นก็สู้สิ่งภายนอกล่อลวงไม่ได้ล้มเหลวแต่ตามไม่จริงก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรแล้วควรจะตั้งหน้าตั้งตาทําการทํางานให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง ให้บ้านเมืองครมเย็นเป็นสุขกันกรองกฎหมายด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมถ้าเป็นไปได้อย่างนั้นประเทศชาติบ้านเมืองก็คงรมเย็นเป็นสุขหลวงพ่อเองปราถนาอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นนผู้ที่เข้าไปทําการทํางานเมื่อวานก็มีโยมมาจากกรุงเทพจะเขียนหนังสือ เยวกับหลวงตาหลวงพ่อเขาไม่ขัดข้องการให้หลวงพ่อเป็นปู่แสดงความคิดเห็นองค์หนึ่งหลวงพ่อเขาไม่ขัดข้องถ้าว่าเขียนเพื่อเชิดชูบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็เขียนให้ไปทํานองครองธรรมตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินมา ต่างคนก็ต่างเขียนต่างคนก็ต่างเชิดชูบูชาอันนั้นก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งแต่ถ้าเขียนไปแล้วเพื่อตัวเองอยากดังเข้าข้างตนเองอันนั้นกิเลสอันนั้นกิเลสไปทางที่ไม่ดีเพราะธรรมะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือหลักเหตุผลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาประพฤติธปฏิบัติมาก็ด้วยความบักบันพยายามของท่านจึงเป็น ที่เคารพนับถือของพวกเราไม่ใช่ว่าท่านมุ่งหวังอย่างอื่นถ้าท่านมุ่งหวังอย่างอื่นท่านคงจะไม่คงเส้นคงวาดมาถึงขนาดนี้อันนี้ท่านก็คงตั้งอกตั้งใจของท่านอย่างสุดซึ่งจนถึงหลักชัยเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายกระพร้อมกันก็พวกเราในฐานะสิทธิ์ทุกๆคนก็ควรเทิดทูน บูชาไม่ใช่ว่าอยากจะดังกับองค์ท่านโดยที่ไปแอบไปแฝงอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับกาจับภูเขาทองอย่างนั้นแหะถ้ากาจับภูเขาทองเราก็รู้ภูเขาทองคืออะไรกาคืออะไรเราเป็นยังไงอันนี้ถ้าหากว่าถ้าจะเข้าไปก็คงไปด้วยน้ำจิตน้ำใจอันบริสุทธิ์ หลวงพ่อวันดีคุณค่าประโยชน์อย่างมากผู้ที่ทำคุณประโยชน์หลวงพ่อว่าหลวงพ่อนึกย้อนหลังทีไรหลวงพ่อยังระลึกถึงบุญคุณของพระฝรั่งนะเต้าฟรังนะฟร่งก็คือใครคือท่านอาจารย์ปัญญาท่านอาจารย์ปัญญาปัญญาพุทโธเนี่ยท่านเป็นชาวอังกฤษแล้วก็ท่านอาจารย์เชอร์รี่อาจารย์เชอร์รี่วันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ อาจารย์เชอรี่แล้วก็อาจารย์ปัญญาอาจารย์ปัญญาเป็นคนชาวอังกฤษอาจารย์เชอรี่เป็นชาวแคนาดาทั้งสององค์แต่อาจารย์ปัญญาเนี่ยเคยบวชทางฝ่ายนิกายมาก่อนที่บวชที่วัดปากน้ําจากนั้นท่านก็ไปจำบรรษาที่อังกฤษพอกลับมาแล้วท่านก็มาอยู่กับ อ, องค์หลวงตาเข้ามาก่อนหลวงพ่อนะแต่ท่านเชอรี่เนี่ยเป็นโยมมามาอะไรมา ที่วัดบวรมาอยู่ที่วัดปัญตัดจากนั้นเขาไปบวชเป็นสัมมเนรแล้วก็ บ, บวชเป็นพระแต่ท่านพญากับท่านเชอรี่บวชพร้อมกันบวชนาคซ้ายขวากับเจ้าพุกุลสำเร็จพระสังฆราชญานสังวรวัดบวรเดี๋ยวนี้อนะบวชปีศูนย์แเดือนพฤษภาแต่ถ้าจะว่าไปเราบวชหลังบทที่หลังหลวงพ่อนะหลวงพ่อบวชก่อนทั้งสององค์ถือยติ ทันยติที่วัดบวรน่ะหลวงพ่อบวชเดือนกุมภาะแต่ท่านบวชเดือนพฤษภาเพราะนั้นท่านจึงนั่งที่หลังหลวงพ่อถึงจะเป็นพระผู้เท่าแต่ก็นั่งที่หลังเพราะท่านบวชที่หลังแต่ท่านเป็นผู้มีบุญคุณอย่างมากอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอย่างท่านเชอรี่ท่านเป็นผู้มีทุนแล้วก็ท่านเป็นฝรั่งอย่างว่าเนี่ยท่านเป็นผู้มีทุนมาท่านก่อน สั่งซื้อเครื่องเทพสมัยนั้นแบบวงกลมมาจากเยอรมันชื่อเทปหลวงพ่อยังจําได้กลุนเด็กแต่โอ้ใหญ่มากใส่ฐานถึงสิบสองฐานเหมือนกันนะพอหิ้วในบาเอียงแล้วงั้นสมัยนั้นแต่ว่าเครื่องเทพนี่ใหญ่นะเป็นมุนแบบมุนๆ ม, มุน่ะหมุนวงกลมเส้นเทพก็ใหญ่ท่านเชอรี่เป็นผู้สั่งมาแล้วก็มาอัดเทพหลวงตาตั้งแต่ปีศูนย์ 0506แต่ท่านปัญญาเป็นผู้ดูแลเนี่ยเพราะท่านปัญญาจบมาทางช่างท่านเฉลี่ไม่รู้อะไรหรอกท่านสั่งมาแล้วก็ท่านปัญญาต้องการแล้วก็สั่งมาให้ท่านปัญญาเป็นผู้ดูแลในเรื่องเทปต่างๆต่อมาก็พอญี่ปุ่น ท, ทําเทพคาเฉดคือสัตว์คือเทปตลับนี่ได้ท่านปัญญาก็เอามาอัดเอามาอัดที่เห็นเป็นตุเป็นตะจริงๆก็คืออัดชุดเตรียมพร้อมนะ คุณเผ่าพังงามาป่วยที่วัดป่าบันตาดหมอก็บอกว่าเป็นโรคเกรงในกระดูกอยู่สามเดือนจะไม่นานคุณเผาพงาก็เลยมาภาวนาปฏิบัติพราเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของหลวงตามาภาวนาที่นั่นหลวงตาไปเทศทุกคืนทุกคืนท่านปัญญาเป็นกับหลวงปูล่ลีเป็นผู้ติดตามหลวงตาเข้าไปอาจเทพนะบางทีท่านปัญญาไม่สบายก็ให้หลวงปู่ลีเป็นผู้อัด แต่โดยมากท่านจะไปกับท่านปัญญาจะมากกว่าไปอัดเทปที่ครัวท่านลงตาเป็นผู้อบรมเทปชุดนี้นะฟังฟังดูแล้วเป็นเทปที่ไม่ลึกมากฟังง่ายง่ายเะมือนกันแต่ผู้ผู้ปฏิบัตินี้จะฟังดูแล้วจะเข้าใจได้ง่ายเพราะท่านเทศไม่ลึกเท่าไหร่ท่านเทศให้ครวาญฟังเนี่ยแต่จากนั้นก็คุณเผ่าประงากร อย่างที่หมอบอกกล่าวท่านก็ได้ดงรับดับขันไปจากนั้นท่านปัญญาท่านก็พยายามอัเทพต่างกลัมต่างวาระเป็นผู้ดูแลเป็นผู้กำฉับเป็นผู้ดูแลรักษาต้นฉบับเทพขององค์หลวงตาหลวงพ่อว่านมาละลึกถึงบุญคุณจุดนี้นะคนในชาติและคนในประเทศหรือผู้ใดก็าตามที่อยู่ในโลกอยู่ในมุมใดก็าตามที่ได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาแล้วเกิดคุณประโยชน์เห็น สินเห็นธรรมขึ้นมาเนี่ยหวงพ่อนออกมาจากท่านปัญญาท่านเชอร์ดีเนี่ยนะเป็นผู้จุด ป, ประกายที่แรกเอเป็นผู้จุด ป, ประกายที่แรกเรื่องเทปของท่านเพราะฉะนั้นหลวงพ่อะระลึกถึงขึ้นมาเวลาใดหลวงพ่อยังะระลึกถึงบุญคุณของท่านอยู่นะที่พวกเราได้ฟังทุกคืนทุกคืนเนี่ยที่เทปเทศพระนะเป็นฝีมือและเป็นผลงานของอาจารย์ปัญญาทั้งหมดพูดอย่างนั้นได้เลยเอเกือบจะว่า ร้อเซ็นะมั่งน่ะที่ท่านได้อัดองค์หลวงตาสมัยก่อนที่ท่านยังยังพูดยังเทศได้อยู่นะเพราะฉนั้นบุญคุณจุดนี้เนี่ยยกให้ท่านปัญญางั้นนะปัญญาวุฒโธนะแล้วก็เป็นผู้จงรักภักดีต่อองค์หลวงตาเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งที่ญาติโยมพี่น้องญาติโยมของท่านอยากจะนิมนต์ไปกลับไปอังกฤษ เขาไปขอหลวงตาเขามาขอหลวงตาญาติโยมมาขอหลวงตาหลวงตาเขาธรรมญาสุดแท้นะท่านจะไปก็ได้ท่านจะอยู่ก็ได้แต่ท่านไม่ยอมไปท่านจะอยู่ก็ขออยู่กับองค์หลวงตาแสดงว่าท่านจงรักภักดีกับ อ, องค์หลวงตาอย่างสุดๆเพราะงั้นผลที่สุ ด, ส ด, สดท่านก็ได้มรณะภาพที่วัดป่าบ้านตาดพวกเราได้ไปไประชุมเพลิงท่านอันนี้นะ่ยผลงานของท่านปัญญาที่พวกเราได้ ฟังพระธรรมเทศนาอยู่ทุกวันนี้ก็คือผลงานของของท่านว่างั้นเถอะเนีควรจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เหมือนกันหลวงพ่อว่านะเออนีควรจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในการรวบรวมพระธรรมเทศนาของหลวงตาที่เป็นคุณประโยชน์ให้แก่พวกเราได้ยินได้ฟังมาตลอดทุกวันนี้ที่ถอดเป็นหนังสือก็มีเนี่ยถอดเป็นหนังสือก็คือแป่นดวงใจบ้าง ธรรมะชุดเตรียมพร้อมบังเนีแต่ว่าประวัติหลวงปู่มั่นหรือปฏิปทาพระตุโธงกรรมฐานอันนั้นเป็นธรรมาริคิดของหลวงตาหลวงตาเป็นคนคิดเขียนขึ้นมาแลว้วก็พิมพ์เป็นหนังสือขึ้นมาอันนั้นว่าเป็นข้อคิดข้อเขียนส่วนเทเสพ็นกันกันขึ้นมาเนี่ยโดยมากถอดออกมาจากเทพแต่ว่าเทพที่ถอดออกมาธรรมะชุดเตรียมพร้อมเนี่ย เป็นคุณหญิงเสริมสีนะเสริมสีกเกษมสีเป็นน้องพัรยาของอาจารย์หมออวยที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าบันตะเป็นผู้รับอาสาถอดเท็ปเทบชุดนี้เหมือนกันพอถอดออกมาได้แล้วก็พิมพ์มาให้องค์หลวงตาเป็นองค์ตรวจพอตรวจเสร็จแล้วท่านก็พิมพ์ธรรมะชุดเตียมพร้อมเร็มนี้เนี่ยะมีหลายคู่หลายคนสรุปแล้วก็คืออาจารย์เสริมสีนะ อาจารย์ทรงศรีเนี่ยเป็นพี่สาวเป็นพัญญาของอาจารย์หมออ้วนเป็นอาจารย์เป็นหมอนะอาจารย์ทรงศรีเป็นอาจารย์หมออาจารย์เสริมศรีเนี่ยเป็นน้องสาวของท่านเนี่ยนะเป็นผู้หญิงนะทอเทปชุดนี้ที่ถวายอง์หลวงตาเนี่ยนะผลงานของท่านสรุปแล้วก็คือพวกเราได้อ่านได้ศึกษาทุกวันต้องเป็นไปเป็นมาถ้าไม่พูดก็คงจะเลือนลางหายไปอ่างนั้นแต่หลวงพ่อเนี่ยอยู่ในยุคนั้นสมัยนั้น หลวงพ่อมันทึกนึกย้อนหลังได้พวกเราได้ริมรสคือว่าได้ออรสของธรรมะภาคปฏิบัติที่วงหลวงตาแสดงมานั้นล้วนแล้วแต่มีคุณค่าหาคุณค่าไม่ได้ต่อไปภายภาคหน้าขณะเมื่อวานนี่ก็มีโยมเข้ามาหาหลวงพ่ออยากจะพิมพ์หนังสือทั้งหมดประมาณหกเล่มหลวงพ่อไม่ขัดข้องแต่ ท่านผู้ที่มาพูดเนี่ยก็เป็นผู้มีศรัทธามีศรัทธากับองค์หลวงตาอย่างมากๆว่างั้นหลวงพ่อก็เห็นด้วยเห็นด้วยกับผู้ที่จะพิมพ์อกติธรรมการเชิดชูบูชาที่พวกเราได้พบได้เห็นถ้าไมา่งั้นก็ลืมจืดจางหายไปแต่พวกเราอยู่ที่แรกเราก็ถือว่าธรรมดาเราเห็นแล้วก็แล้ ว, ลวไปแต่ถ้าว่าเป็นจารึกเป็นตัวหนังสือขึ้นไปแล้ว จะเป็นประวัติศาสตร์จะมีคุณค่าอย่างมากต่อไปภายภาคหน้าเหมือนกับแนวทางและแนวความคิดของหลวงปู่มั่นถ้าพวกอยู่ที่หลวงปู่มั่นบันทึกเอาไว้นะ่ะมันมีประโยชน์ในขณะที่อยู่กับหลวงปู่มั่นคำพูดนั้นก็เป็นคารจำเจเป็นการที่เราฟังแบบทุกวันทุกวันนะก็คงไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีคุณค่าแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้า นานไปเท่าไหร่คุณค่าของคําพูดหลวงปู่มั่นยิ่งมีคุณค่าขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันทางวัาได้บันทึกเป็นวันต่อวันจะมีประโยชน์อย่างมากอันนี้ก็คือผู้มองไกลสรุปแล้วคือผู้มองไกลถ้าหมู่มองใกล้ก็อย่างว่านอยู่เป็นวันๆกินเป็นวันแล้วก็จบไปอันนี้ก็เป็นอุปนิสัยของแต่ละท่านละคนอีกเหมือนกันที่ว่าปัจเจกปัจเจกบุคคลพุทธภูมิปัจเจก คือบอกปัตพุทธภูมิก็ต้องมองไกลแต่ปัจเจกนี่มองใกล้ๆแล้วก็จบไปอย่างพระสาวกก็เหมือนกันสาวกสุขวิปัสสโกเตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัปโตอันนี้ก็แปลกแตกต่างกันอีกเหมือนกันแต่ว่าสุขวิปัสสโกไม่ต้องคิดอะไรมากคิดใกล้ๆคิดสั้นๆแล้วก็จบไปพอท่านออกพ้นทุกข์ของท่านแล้วก็จบไปดีไหมก็ดีข้อสําคัญให้ตัวเองพ้นทุกข์นั่นแหละดี เป็นพระอรหารแล้วก็จบไปโลกทั้งโลกจะไปแบกได้ยังไงแบกโลกทุกแห่งทุกหนแบกไหวเหรอแบกไม่ได้มันหนักใครทำผลงานของคนนั้นหลวงพ่อว่านเมื่อใครทาก็เป็นของคนนั้นเองใครทำชั่วใครทำชั่วใครทำดีอย่างหลวงปู่จามคุณแม่แก้วท่านพูดหลวงพ่อยกมาพูดขึ้นเรื่อยๆ่า โลกนี้เป็นโลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หาบุญก็ได้หาบาปก็ได้หานรกหาสวรรค์หานิพพานก็ได้หาคุกหาตารางใส่ตัวเองก็ได้หาลาภหายศหาสรรเสริญใส่ตัวเองก็ได้หาให้คนนินทาหาให้คนดูถูกเหกียจยามก็ได้โลกนี้เป็นโลกหาได้เพราะฉะนั้นเราจะหาอย่างไรคนมีปัญญาเขาต้องหาในสิ่งที่ดีอถ้าเป็นคนชั่วในจิตในใจแล้วก็ มันทำยังไงมันก็นดีไม่ได้มันก็ต้องหาทางชั่วมาใส่ตัวเองตลอดสิ่งไหนที่มันชั่วก็หามาใส่ตัวเองจะเป็นพระจะเป็นโยมจะเป็นใครก็ตามถ้าเป็นพระชั่วก็มีตังเยอะแยะไปเห็นไหมพระเทวทัตเป็นพระพระเทวทัตชื่อว่าพระเทวทัตหาความชั่วมาใส่ตัวเองเอพระโมกขาราสาลีบุตรอานนก์กัสปะตมิถะหาขุนงามความดีมาใส่ตนเองเพราะนั้นเป็นพระก็หาดีหาชั่วญาติโยมก็เหมือนกัน พยาปเสนพระเจ้าพิมพิสารอนาถาบินฑีนางวิสาขานหาคุณงามความดีใส่ตนเองอย่างสุ ป, ปะพุทธะมันนางจินจารานวิกจึงหาความชั่วยจะใส่ตนเองมันมีทั้งพระมันมีทั้งโยมเพราะนั้นใครจะหาความดีและความชั่วยยังไงต้องพยายามหาเองหามาใส่ตนเองสรุปแล้วหลวงปู่จามท่า น, นก็บอกว่านรกก็ไม่เต็มสวรรค์ก็ไม่เต็ม ถ้าว่าใครทําชั่วก็ทําไปเลยหลงปู่จามนรกยังอ้าแขนรับอยู่งั้นยังไม่เต็มง่ายถ้าใครทําความคุณงามความดีมดก็ทําไปเลยสวรรค์ก็ยังอ้าแขนรับพร้อมที่จะรับเข้าไปสู่สวรรค์ได้เพราะนั้นใครจะทําสิ่งไหนก็ทําได้เลยอย่างนั้นโลกนี่เป็นโลกหาได้หาสวรรค์ก็ได้เอนรกก็ได้คุณแม่บอกว่าโลกในโลกหาได้ หลวงปู่จามบอกว่านรลกก็ไม่เต็มง่ายสวรรค์ก็ไม่เต็มง่ายท่านว่านะอย่างพ่องอยู่นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีทำสิ่งที่ดีนะแล้วก็ฟังทำคำสั่งสอนขององค์หลวงตาทุกคืนนะวิทยุของเรา 107.25 เมกะเฮิร์ 1 0 7 2เเมกะเฮิรตเปิดทุกวันตลอด24ชั่วโมงเราจะได้ฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาไม่ใช่แต่องค์หลวงตาองค์เดียวทั้งหมด20สกว่าองค์ที่ออกแสดงพระธรรมเทศนาเนี่ยมีย0สกว่าองค์เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านเปิดฟังได้ศึกษาได้ตักตวงได้การพูดการ แนะนำหมู่พวกเพื่อนก็เห็นว่าสมควรข อ, อยุติ